อริยสัตวกับปฏิจจสมุปบาทในหนังสือนี้ได้กล่าวถึงปฏิจจสมุปบาทไว้มากและหลายอย่างทั้งอริยสัตว์และปฏิจจสมุปบาทต่างก็เป็นหลักธรรมสําคัญเมื่อมีผู้ถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรอาจตอบว่าตรัสรู้อริยสัตว์สหรืออาจตอบว่า ตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทก็ได้คำตอบทั้งสองนั้นต่างก็มีพุทธพจน์เป็นที่อ้างยืนยันได้ข้อควรทรากก็คือคำตอบทั้งสองอย่างนั้นตามที่จริงแล้วก็ถูกต้องด้วยกันและมีความหมายลงกันได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกล่าวคือปฏิจจสมุปบาทก็เป็นเนื้อหาสำคัญของอริยสัจและอริยสัจก็มีความหมายครอบคลุมปฏิจจสมุปบาท เรื่องนี้เป็นอย่างไรพึงพิจารณาเริ่มตั้งแต่หลักฐานที่มาในคมภีรคมพีวินัยปิดกเล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเริ่มต้นเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆกำลังทรงเสวยมิมุติสุขและพิจารณาทบทวนปฏิจจสมุปบาททั้งโดยอนุโลมและโดยปฏิโลมคือทบทวนทั้งกระบวนการเกิดทุกข์และกระบวนการดับทุกข์ตลอดเวลาหนึ่งสัปดาห์ ครั้นสิ้นระยะเสบย ว, วิมุติสุขเจ็ดสัปดาห์แล้วเมื่อปรารพการที่จะทรงประกาศธรรมแก่ผู้อื่นต่อไปส่งพระดำริว่าธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้เป็นของลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสำหรับหมู่ประชาผู้เริงรมรื่นระเริงอยู่ในอาลัยฐานะอันนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากกล่าวคือหลักอิทับปัจจยตา ติดจสมุกบาปแม้ฐานะนี้ก็เห็นได้ยากนักกล่าวคือนิพพานส่วนในพระสูตรเช่นในปาสราสิสูตรมัจจิมานิกายมุลปานาสเมื่อปรากฏข้อความเกี่ยวกับพุทธประวัติตอนนี้ก็จะเล่าความแนวเดียวกันเริ่มแต่พุทธดำริที่เป็นเหตุให้เสด็จออกพนวดการเสด็จออกพนวดการทรงศึกษาในสำนักอาลาระดาบทและอุทธกดาบท การบำเพ็ญและการละเลิกทุกรกิริยาการทรงกลับเสวยภรยาหารแล้วบรรลุฌานและตรัสรู้วิชชาสามในตอนตรัสรู้มีข้อความที่ตรัสเล่าว่าครั้นเราบริโภคอาหารมีกําลังขึ้นแล้วสงัดจากกามสังัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปถมฌานทุติยฌานตติยฌาน จตุตชฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เรานั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศสิ่งมัวหมองนุ่มนวลควรแก่งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ได้น้อมจิตไปเพื่อปุเพนิวาสานุสติญาณก็ระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมาก อันเป็นวิชาที่หนึ่งได้น้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตยานก็มองเห็นหมูสัตว์ที่จุติอุบัติอยู่อันเป็นวิชาที่สองได้น้อมจิตไปเพื่ออาสวัคยายานก็รู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกกสมุทัยนี้ทุกกะนิโรธนี้ทุกกนิโรธ้าคามินีปฏิปทาเหล่านี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัย นิอาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธถ้ข า, ามินีปฏิปทาเมื่อเรารู้เห็นอย่างนี้จิตได้หลุดพ้นแล้วจากกามาสวะภาวาสวะและอวิชชาสวะอันเป็นวิชาที่สต่อจากนี้ก็มีคําบรรยายพุทธดําริในการที่จะทรงประกาศธรรมซึ่งมีข้อความอย่างเดียวกับในวินัยปิฎกที่ยกมาอ้างไว้แล้วข้างต้นนั้นจะเห็นว่าวินัยปิฎก เล่าเหตุการณ์หลังตรัสรู้ใหม่ๆระยะเสวยวิมุติสุซึ่งอัตถกถาว่าเป็นเวลาเจสัปดาห์เริ่มแต่พิจารณาทบทวนปฏิจจสมุปบาทจนถึงทรงพระดำริที่จะไม่ประกาศธรรมเพราะความยากของปฏิจจสมุปบาทและนิพพานที่ได้ทรงตรัสรู้ส่วนพระสูตรเล่าเหตุการณ์ก่อนตรัสรู้เป็นลาดับมาจนถึงตรัสรู้วิชาสาม แล้วข้ามระยะเสวยมิมุติสุขทั้งหมดไปมาลงที่พุทธดำริที่จะไม่ประกาศธรรมเพราะความยากของปฏิจจสมุปบาทและนิพพานเช่นเดียวกันผู้ถือเอาความตอนทรงพิจารณาทบทวนปฏิจจสมุปบาทในวินัยปิฎกและพุทธดำริปรารบการประกาศธรรมทั้งในวินัยปิฎกและในพระสูตรย่อมกล่าวได้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาท ส่วนผู้พิจารณาความในพระสูตรเฉพาะเหตุการณ์ตอนตรัสรู้วิชาสามและจับเฉพาะวิชาที่สอันเป็นตัวการตรัสรูแ้แท้เพราะเฉพาะวิชาสองอย่างแรกยังนับไม่ได้ว่าเป็นการตรัสรู้และไม่จําเป็นสําหรับนิพพานเมื่อจับเฉพาะวิชาที่สอันเป็นตัวการตรัสรูแ้แ ท, แท้ก็ได้ความหมายว่าตรัสรู้อริยสัจสี่จึงหลุดพ้นจากอาสวัต อย่างไรก็ดีคำตอบทั้งสองนั้นแม้จะถูกต้องทั้งคู่แต่ก็มีความหมายบางอย่างที่เป็นพิเศษกว่ากันและขอบเขตบางแง่ที่กว้างขวางกว่ากันซึ่งควรทำความเข้าใจเพื่อมองเห็นเหตุผลในการแยกแสดงเป็นคนละหลักความหมายที่ตรงกันของหลักใหญ่ทั้งสองนี้มองเห็นได้ง่ายเพื่อความรวบรัดขอให้ดูหลักอริยสัจเทียบกับ หลักปฏิจจสมุปบาทดังนี้หมายเหตุกรรณาดูแผนภูมิที่17ทับหประกอบด้วยแผนภูมินี้อ่านได้ดังนี้คือข้อหนึ่งปฏิจจสมุปบาทสมุทยาวาระสแสดงกระบวนการเกิดทุกข์ดังนี้เพราะอาวิชชาเกิดเป็นปัจจัยสังขารจึงเกิดเป็นต้นจนถึงเพราะชาติเกิดเป็นปัจจัย ชารามรณะจึงมีสโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตจึงเกิดมีพร้อมข้อ2ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาระแสดงกระบวนการดับทุกข์ดังนี้เพราะอภิชาดับเป็นปัจจัยสังขารจึงดับเป็นต้นจนถึงพระชาติดับเป็นปัจจัยชารามรณะจึงดับสโสกะปริเทวะ โทมนัสอุปาญาตจึงดับเทียบกับหลักอริยศาสตร์ได้ดังนี้ข้อหนึ่งคือปฏิจจสมุปบาทสมุทัยาวาระแสดงกระบวนการเกิดทุกข์เท่ากับรวมอริยศัสตร์ข้อหนึ่งและสองคือทุก์และสมุทัยไว้ในข้อเดียวกันแต่ในอริยศาสตร์แยกเป็นสองข้อเพราะแยกเอาท่อนท้ายคือชาติจรามรณะโศกเป็นต้นที่เป็นผลปรากฏออกไปตั้งต่างหา เป็นอริยสัจข้อแรกในฐานะเป็นปัญหาที่ประสบซึ่งจะต้องแก้ไขแล้วย้อนกลับมาหาท่อนที่เป็นกระบวนการทั้งหมดตั้งเป็นข้อที่สองในฐานะเป็นการสืบสาวหาต้นเหตุของปัญหาข้อสองคือปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาระแสดงกระบวนการดับทุกเท่ากับอริยสัจข้อที่สคือนิโรธ แสดงให้เห็นว่าเมื่อแก้ปัญหาถูกต้องตรงสาเหตุแล้วปัญหานั้นจะดับไปได้อย่างไรตามแนวทางของเหตุปัจจัยแม้ว่าโดยตรงปฏิจจสมุปบาทในยะนี้จะตรงกับอริยสัจข้อที่สแต่ก็ถือว่ากินความรวมถึงอริยสัจข้อที่4ได้ด้วยเพราะกระบวนการดับสลายตัวของปัญหาย่อมบ่งชี้แนวทางดาเนินการหรือวิธีการทั่วไป ที่จะต้องลงมือปฏิบัติในการจัดการแก้ปัญหานั้นไปด้วยในตัวกราวคือชี้ให้เห็นว่าจะต้องทำอะไรบ้างหน้าจุดใดๆเมื่อสรุปอริยศาสตร์ให้เหลือน้อยลงอีกก็ได้สองข้อคือฝ่ายมีทุกข์กับฝ่ายหมดทุก ข, ออข์ฝ่ายมีทุกข์คืออริยศาสตร์ข้อ1และ2ฝ่ายหมดทุกข์คืออริยสตร์ข้อ3และ4 ปฏิจจสมุปบาทสองนัยนั้นในที่บางแห่งเป็นคําจํากัดความของอริยศาสตร์ข้อที่สองและสตามลําดับคือปฏิจจสมุปบาทสมุทยาวาระถือเป็นคําจํากัดความของอริยศาสตร์ข้อที่สองคือสมุทัยปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาระเป็นคําจํากัดความของอริยศาสตร์ข้อที่สคือนิโรธแต่ในคําจํากัดความข้างต้น แสดงเฉพาะตันหาอย่างเดียวว่าเป็นสมุทไทยและการดับตันหาว่าเป็นนิโรธทั้งนี้เพราะตันหาเป็นกิเลสตัวเด่นเป็นตัวแสดงที่ปรากฏชัดหรือเป็นขั้นออกโรงแสดงบทบาทจึงจับเอาเป็นจุดที่พุ่งความสนใจอย่างไรก็ดีกระบวนการที่พร้อมทั้งโรงรวมถึงหลังฉากหรือหลังเวทีด้วย ย่อมเป็นไปตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง